ช่งใหญ่เอ่อจะมีการนั่งต่อไปถึงตอนตอนบ่ายหรือเปล่าอิตภาวนาเนะะี่ยไม่ทราบมีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้จะตัดตอนมาบรรยายพระสูตรเสียตามตามตามวันเสาร์นะฮะแล้วก็ต่อไปก็ขอเชิญ น, นั่งต่อพระสูตรที่จะกล่าวในวันนี้ ก็คืออาทิตตพระยายสูตรถือว่าเป็นประสูตรที่สามซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงข้อความในตอนต้นก็คือว่าหลังจากได้แสดงอนัตตลกนณสูตรจบไปแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุอรหันต์เป็นพระหันทั้งหมดต่อจากนั้นก็ได้โปรดพระยาะพร้อมด้วยสาาย ชุดแรกสีท่านชุดที่สองห้าสิบท่านด้วยพระธรรมเทศนาที่เราเรียกว่าพุลานุศาสนีคือพระธรรมเทศนาที่ทรงสั่งสอนมากที่สุดในการเผยแผ่ศาสนาของพุทธเจ้าด้แก่เรื่องอนุบุพิกถาห้ากับอริยสัจสี่ซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสอื่น เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นว่ามีพระสงฆ์มากแล้วคือตั้ง60รูป ก, ก็ได้ประชุมสงฆ์ประกาศเจตจำนงในการทำงานของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงโดยรับสั่งว่าดูกอรภิกูทุทั้งหลายบัดนี้ เราพน้า น, น, น, แาพนแล้วจากบ่วงทั้งป่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากป่วงทั้งป่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ขอให้พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุด สมบูรณ์ด้วยอัฏถะและพยัญชนะเพราะว่าคนที่มีกิเลสน้อยเบาบางนั้นมีอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฝังธรรมก็จะเสื่อมจากธรรมะเหล่านั้นเนื่องจากพระสาวกในคราวนั้นมีอยู่จำนวนเพียง6กสิบรูปก็รับสั่งให้แยกย้ายกันไปทิศละหนึ่งรูปเราถือว่าเป็นพระธรรมทูตยุคแรก ที่เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่ภิกษุในคราวนั้นมีลักษณะเหมือนเป็นทานูนของพระพุทธศาสนาประการหนึ่งว่าการอวดบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หรือแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายข้อที่ทรงแสดงทั้งหมดจึงเป็นการแสดงเพื่อประโยชน์และการกำหนดประโยชน์ก็คือได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะหลังจากได้ตรวจสอบจริตอัธยาศัยของคนแล้ว จึงได้มีการกำหนดประโยชน์เป็น3ประการคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุดส่วนข้อที่ว่าจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นทํากลางที่สุดนั้นโดยหลักจริงๆก็คือว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลคือศีลเป็นภาคพื้นเป็นเบื้องต้นของโรุงไม่จัการปฏิบัติธรรมทางาศาสนาในตอนแรก ก็เป็นเรื่องของกายกวาจาอย่างหยาบหยาบไปก่อนในชั้นที่สองก็เป็นเรื่องของสมาธิที่เรียกว่างามในธรรมกลางแล้วก็งามในที่สุดด้วยปัญญาก็คือหลักของไตรสิกขานั่นเองแต่บางครั้งบางคราวแม้ธรรมะหัวข้อเดียวก็วถือว่างามในเบื้องต้นธรรมกลางในที่สุดอย่างเช่น ในเบื้องต้นก็เริ่มกำหนดข้อความที่จะสดแสดงในทากลางก็ขยายข้อความเหล่านั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งออกไปตอนสุดท้ายก็สรุปชี้ประเด็นของพระสูตรแต่ละสูตรที่ทรงสดแสดงถือว่า ง, งามในเบื้องต้นทากลางที่สุดเช่นเดียวกันและให้สมบูรณ์ด้วยอัฏถาพยัญชนะซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้สวดกันอยู่เป็นประจำ ศาสตร์ทงสัพยัญชนะเกวละปริปุนังปริสุทธั์งรมจารยงประกาศเสสิธ์นี่เราสวดกันมาเป็นร้อยเป็นพันนะฮะถึงถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมสมบูรณ์ด้วยอัฏฐพยัญชนะคำว่าอาัฏฐก็คือตัวเนื้อหาสาระแห่งเรื่องและประโยชน์ที่จะเกิดจาก ก็ทำมาเทศนาแต่ละข้อดังนั้นบางครั้งพยัญชนะเหมือนกันแต่อัฏฐะไม่ได้เหมือนกันการศึกษาธรรมะจึงต้องมีการสังเกตสังกาเป็นพิเศษพราะข้อความตอนนี้เมื่อวางอยู่ที่นี้มีความหมายอย่างนี้จะวางอยู่ที่หนึ่งจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือพยัญชนะเหมือนกันแต่ว่าอัฏฐะไม่เหมือนกัน หรือบางทีพยายนจะน่ากับอัฏฐานั้นตรงกันยังยกตัวอย่างธรรมะที่ง่ายๆแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอก็คือเรื่องคำว่าจากาค า, าในชั้นของคารวะสธรรมเป็นธรรมะระดับที่เรียกว่าคือเฉลี่ยความสุข เป็นการแสดงความอบอ้อมอารีก็เผื่อเผื่อแผ่เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันท่านอาจากรย์ในชั้นของอธิษฐานใธรรมหมายถึงการข่มความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่เป็นข้าสึกต่อเจตนาเราคือเราตั้งใจจะกระทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความรู้สึกที่เป็นศัตรูเกิดขึ้นขัดขวางความรู้สึกเหล่านั้นเราก็ข่มความรู้สึกเหล่านั้น นี่ก็ใช้คำว่จากะเหมือนกันแต่ว่าจาะอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงการบริจาคคกอการบริจาคทานแต่อีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงนิพพานเลยหมายถึงดับกิเลสไปเลยเป็นพระนิพพานไปเลยนี่ท่านจะเห็นว่าไอ้อัตถา น, นั้นแตกต่างกัน แต่ตัวพยัญชนะเขียนเหมือนกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรการศึกษาธรรมะจึงต้องเข้าใจทั้งรูปอัฐะคือตัวเนื้อหาสาระของถ้อยคำเหล่านั้นและตัวพยัญชนะคืออักษ ร, รที่ใช้ขีดเขียนถ้าหากว่าเกิดความเข้าใจไม่ตรงทั้งโดยอัฐพยัญชนะและความสับสนก็จะเกิดขึ้นได้ อย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้จับแล้วก็จับไปกรเด็นดังนั้นธรรมะในทางาศาสนาจึงมีการอธิบายกันพระพุทธเจ้าเองเวลารับสั่งอะไรก็จะบอกไว้ว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ว่าคาบางคานั้นเคยชินสมหรับคนในยุคนั้นคนในยุคต่อมาก็อาจจะไม่เคยชินพระตถาอาจารย์ท่านก็อธิบายไว้ว่าหมายความว่าอย่างนั้น เพราะถ้อยคำที่ใช้นั้นเป็นสื่อความหมายก็สุดแต่ว่าจะกําหนดการความหมายความว่าอย่าไงไรในกรณีนั้ น, น, นาการที่ทรงใช้คําว่าหลุดพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงปทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คําว่าบ่วงนั้นก็คือเครื่องผูกของมารเรียกว่ามารบัญธนาเครื่องผูกของมาร ว่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็เหนียวมันนึกงด้วยอํานาจของกามด้วยอํานาจของเพยาบาทและด้วยอํานาจของความเบียดเบีนยนหรือความหลงซึ่งว่าที่จริงโลกเราเป็นโลกของสัมผัสอย่างที่รู้กันบางครั้งพระพุทธตรรมรัตที่ตรัสนั้นจะมีเพียงเท่านั้น เช่นว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวอาศัยอยู่ในกายนี้ได้ผู้นั้นจักหลุดพ้นจากบ่วงของมันซึ่งหมายความว่าเป็นพระริยเจ้าไปไลยจะพูดแล้วก็ง่ายแต่ว่าปฏิบัติจริงๆแล้วก็ตัวยุ่งที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้เห็นเป็นต้นนี้เองตลอดในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดถึงตายก็ตัวยุ่งก็มีอยู่หตัวเนี่ย ที่จริงแกไม่ยุ่งเองนะฮะคือตัวแกเองก็เป็นกลางกลางแต่ ใ, ใจเรามันยุ่งเลยก็ทาให้ยุ่งไปหมดแหะจะมีการกำหนดหมายไปสารพัดอย่างรูปอย่างเดียวกันวันนี้กำหนดว่าดีพรุ่งนี้กาหนดไม่ดีกำหนดดีเกิดโลภะกำหนดไม่ดีเกิดโทสะไม่เข้าใจเกิดโมหะมันก็หมุนวนกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้าการทรงภะสา ว, วกไปในยุคนั้น ถือว่าเป็นยุคของการบุกเบิกศาสนาท่านตั้งหกสิบท่านนั้นไม่ทราบท่านหายไปไหนคืมีผลงานเหลืออยู่เพียงสามรูปนเนท่านั้นทาที่พบนะฮะทาที่พบมีอยู่เพียงสามรูปแสดงว่าต่างคนต่างก็ไปกันไกลทีเดียวแล้วคงบางองค์ก็คงจะไม่ได้บวชลูกศิษย์อะไรไว้สืบต่อก็เลยหาย พระอาจารย์ที่ทําสังขายนาในยุคหลังเป็นเด็กรุ่นหลังก็คงจะไม่รู้เรื่องราวในตออต้นคนยุคเราจึงไม่รู้ว่าผลงานที่ท่านได้กระทาไว้นั้นได้เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้างคือพระอาหารหันต์นั้นท่านท่านทำงานโดยไม่ต้องประชาสัมพันธ์พูดยาเลยเราก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าเองนั้นได้แสดงถึง นามพระไทยที่จะทำงานร่วมกับพระภิกษุซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสองประโยคต้นกับประโยคสุดท้ายนี่ยไปร้อมาจรถาภิกเวจริกังบูชาอิตายะบูชาสุ ข, ขายะโลกานกุกรรมปายะเดวมนุสสานะัแปลเป็นไทยความว่าพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ประโยคสุดท้ายนั้นรับสั่งว่าแม้เราเองก็จะไปยังตำบนอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นทำงานร่วมกับพระสงฆ์รับสั่งให้พระสงฆ์ทำอะไรพระองค์จะทำอย่างนั้นแม้แต่งานเล็กๆน้อยๆ น, นะฮะเย็บจีวรของพระพระสมัยก่อนต้องเย็บจีวรเองไปหาผ้ามาเก็บสะสมไว้พอทำจีวรได้ท่านก็มานั่งเย็บกันเอง ถึงคราวเย็บจีวรพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปลงช่วยเย็บให้ลูกศิษย์ด้วยโดยจะนั่งหัวแถวก็นั่งเรียงกันไปก็ช่วยกันเย็บเป็นตอนๆกันไปการทำงานทุกอย่างของพระองค์จึงทำงานร่วมกับพระสงฆ์ทำให้ลักษณะสังคมสงฆ์มีความอบอุ่นมากเพราะพระองค์จะเปลี่ยนฐานะของพระองค์บางครั้งก็เป็นพ่อบางครั้งก็เป็นเพื่อน บางครั้งก็เป็นผู้ปกครองบางครั้งก็เป็นาศาสดาคือเคลื่อนไหวไปตามเหมาะตามควรแก่จุดนั้นมีการข่มคนที่ควรข่มเมื่อมีการกระทาที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อมีการกระทาที่ควรยกย่องพระพุทธเจ้าจึงใกล้ชิดอยู่กับพระสงฆ์เวลาพระสงฆ์ประชุมกันถ้าหากว่าเรื่องข้าวแนวข้าวแถวดีไม่มีปัญหาอะไร ก็ปล่อยให้ท่านใช้ปัญญาใช้เหตุผลถูกเฉียงคิดค้นกันเองแต่พอมีปัญหาเท่านั้นเสด็จทันทีเจนว่าคุยชักจะนอกเรื่องมากไปแล้วหรือคนเราในชอบคุยนอกเรื่องมากกว่าในเรื่องในเรื่องนี้คุยกันอยู่ไม่ได้นานนะประเดยมบอกนอกเรื่องต่อนอกเรื่องจะเสด็จเพื่อควบคุมการพูดหรือความคิดของพระเราไม่ให้ฟุ้งซ่าน ถ้าท่านทั้งหลายที่ไปเคยไปพระเชษฐาวันแต่เราไม่มองในแง่ว่าเอาแหละพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ทิพยจักษุหรอกทิพยสูตรหรอกแต่พระคันตะกดีนั้นอยู่ใกล้ธรรมศาลาแล้วแขกคุยในเสียงดังดังนั้นก็ฟังได้ชัดมากนี่สมสมมุติว่าไม่ต้องใช้ทิพยจักรเลยทิพยสูตรนะครแต่ว่า เมื่ออยู่ใกล้ที่ประทับท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่กล้าคุยเสียงดังและตามปกติที่หลักฐานปรากฏ น, นั้นพระสงฆ์งเคารพยำเกรงพระพุทธเจ้ามาพระนั่งตั้งห้าร้อยนะฮะอยู่5้าร้อยแม้เสียงแก่แอมเสียงจามเสียงไอยังไม่มีพระเจ้าชาติสูสดเด็จข้าวไปเฝ้าตอนท่านทำปิธุคาดใหมๆ่ๆตอนนั้นใจยังสับสนมาก เข้าไปจะเดินจะชนพระสงฆ์แล้วยังไม่ร้วมมีพระอยู่เป็นร้อยๆเพราะพุทธเจ้านั่งประทับเป็นประธานถ้าในที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นหากไม่ตัดขึ้นก่อนแล้วพระจะไม่มีใครพูดเลยนั่งอยู่เป็นวันๆก็ตามจะไม่มีใครพูดบางคราวพระพุทธเจ้าไปประทับตั้งปั๊บข้าวสมาธิทุกรูปข้าสมาธิหมดเจะไม่มีใครกระทาอะไรในลักษณะที่ การความโกรธนี่คือลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นมาจากพระคุณของพระองค์ที่ให้ความประทับใจแก่ภิกษุเหล่านั้นตกลงว่าเมื่อส่งพระสาวกไปหมดทั้ง60รูปพระองค์ก็ประทับอยู่พระองค์เดียวที่อิสิปตนะมริกะาเยวันในตอนแรกก็ได้รับ รายงานต่างๆพระท่านไปบวชไอเทศคนเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสก็นำข้ามาบวชพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้บวชตามแนวเดิมที่เราเรียกว่าเอหิปิคุกับสัมทาคือรับสั่งให้เป็นภิกษุก็เป็นภิกษุแต่ว่าต่อมาทรงเห็นความลำบากของพระทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ต้องเดินทางกลับไปกลับมากันอยู่อย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นอันทำงานก็เลยรับสั่งให้จัด ก, การบวชสอีกก็เรียกว่าเกิดมีรูปของอุปชายะขึ้นในคราวนั้นแต่การบวชคราวนั้นไม่ได้เหมือนอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนะฮะเป็นวิธีสั้นๆเยอะๆแล้วพระองค์เองก็เสด็จออกจากอิสิปตนะมฤุกธายยวันแล้วผ่านไปทางราไร่ไฝ่แห่ง ก็ไปพบกับคนอีก30รูปเรียกว่าพัทวคีกูกมานคนเหล่านี้มาเที่ยวสนุกสนานกันในลักษณะที่ปัจจุบันเรียกว่าปิกนิกอะไรเนียแต่ว่าพัญญาของสหายคนหนึ่งไม่มีก็นำหญิงแพทย์สยามมาสนุกสนานกันเพลินหญิงแพทย์สยามก็เลยขโมยเครื่องประดับหนีทั้ง30คนก็ตามกันไปก็ปสวนกับพระพุทธเจ้า ก็กราบทูลถามว่ามหาสมณะคือเขาไม่รู้จักพระพุทเจ้าเป็นใครแต่ว่าเรียกเชิดชูมากนะฮะเรียกว่ามหาสมณะซึงปกติจะใช้สมณะเฉยๆเรียกมหาสมณะท่านเห็นผู้หญิงบ้างไหมพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอจะหาตนเองหรือว่าจะหาผู้หญิงหาตนเองดีกว่าหรือหาผู้หญิงดีกว่าถามแปลกนะะ ต้าว่าคนเราปัจจุบันคงหาว่าหลวงพ่อนี้พูดรวนจังแต่ท่านเหล่านั้นหยุดคิดเรื่องการทางสแสวงหาผู้หญิงทันทีได้บอกสแสวงหาตนดีกว่าหลวพเจ้าแล้วก็นั่งลงเลยเก็อถือว่าไม่จะเจอคนธรรมดาเขแล้วก็นั่งลงหรวพเจ้าก็แสดงพละรำอภิษณาแนวเดิมเคือ่อนโบุพีกถาการรยสัจสี อนบุพีกถานั้นโดยสรุปก็ไม่มีอะไรลึกซึ้งนะฮะคือเรื่องทานเรื่องศีลและเรื่องสวรรค์ทานศีลสวรรค์พอสวรรค์แสดงสวรสวรค์วิจิตพิสดารเสร็จแล้วก็หักมุมมาชี้โทษว่าได้กามาคุนนั้นแม้จะเป็นชิพนะแม้จะเป็นสวรรค์ก็ตามมันก็อนิจจังทุกขังอนะตาคือแสดงโทษให้เห็นชัดพอเสร็จแล้ว ก็คล้ายๆกับบรรยายภาพป่าี่คนไปเพลิญอยู่ในป่าเราบรรยายว่าเสืออยู่ตรงนั้นในสิงโตอยู่ตรงนั้นอะไรต่อไหนเวลาน่ากลัวก็พยายามหาทางออกจากป่าแล้วทรงชี้ทางออกโดยเนคขมมะคือการออกปวดแต่ลักษณะคือมีจิตวิทยาอยู่ในการสอนเห็นได้ชัดมากถ้าหากว่าคนฟังมีพื้นฐานพอพระพุทธเจ้าทรงรู้นะฮะ อย่างที่มาเคยบอกว่ารู้เจ้าเทพแต่ละคราวนั้นจะตรวจสอบสามอย่างเสมอคือตรวจสอบอินทรีย์สตาวิทยาสติสมาธิปัญญาแกอ่อนยังไงจะตรวจสอบคื้นอัธยาศัยเรียกว่าเนี่ยเรียกว่าอาธิมุติกะคืออธิมุตพื้นเพยอัธยาศัยของคนนี้อบรมสั่งสมมาอย่างไงประธาเทศนาเทศไม่เหมือนกันนะเพราะอาธิมุตคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็ พอสวจดันแล้วก็จะสวดพื้นฐานทางสมาธิและจึงแสดงธรรมอนุบพีคาถาเนี่ยสตินั้นไม่ได้หมายความมาแสดงเต็มทั้ง9ข้อทุกครั้งไปนะฮะนานๆจึงจะเดินหมดทั้ง9ข้อสติคือไอพื้นอัธยาสัยคนมันจะเรินตามขึ้นไปได้แล้วจะต่อไปรธรรมเทศนาไปออกที่อริยสัจส์่ซึงหมายความมาจบรธรมเทศนาแล้วก็บรรลุมรรคผล แต่ถ้าไปไม่ได้ก็จะอยู่แค่ฐานเท่านั้นเองไปกระจายที่ฐานให้กระจายออกถ้าขึ้นไปได้หน่อยก็ไปกระจายที่ศีลอีสวรรค์เองก็นานๆจะแสดงนะฮะแต่สรุปว่าเป็นธรรมเทศนาที่แสดงมากต้นใช้คำว่าภูรานุศาสนีคือแสดงมากที่สุดแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ครบชุดทุกคราวนะฮะไม่จะครบก้าข้อทุกคราว ท่านพัตวัคีฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าสะใจนะฮะได้บรรลุอนาคามีบรรลุอนาคามีเป็นพระอริยะบุคคลเราก็ขอบวชพระพุทธเจ้าก็ประทานเอหิพิขุให้บวชต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปที่ขยาศีสะไม่ใช่ที่อุรุเวลาเสนานิคมท่านที่เคยไปอินเดียมาคงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก พระพุทธเจ้าสัจจรูใกล้ๆกับอาสงของท่านเหล่านี้ห่างันสักสี่กิโลได้ไมไม่ถึงนแต่ว่าเวลาเทศคราวแรกกลับย้อนไปเทศตั้งขึ้นเหนือขึ้นไปตั้งสองร้อยกว่ากิโลเทศคราวแรกแทนที่จะเทศใกล้ๆไม่เทศไปเทศไกลไปตั้งสองร้อยกว่ากิโลพอเทศเสร็จแล้วก็กลับมาที่ใกล้ๆที่สัรุเ ทำไมยังเป็นเช่นนั้นฮะเพราะพระพุทธเจ้าเทศตามอัธยาศัยของคนเรียกว่าถ้าผลไม้ไม่สุกก็ไม่สอยคือปล่อยมันสุกงอมฮะเรียกว่ารอความแก่รอบของอินทรีย์แต่อินทรีย์ยังไม่แก่คือเทศไปมันไม่ได้เรื่องในปัจจุบันที่เราเรียกความพร้อมคนเราถ้าไม่พร้อมจะเรียนไม่พร้อมจะรู้ไม่พร้อมจะฟังและจะพูดเสียเวลามันไม่ได้ผลอะไรขึ้นมา พราะงั้นหลักหลักเหล่านี้ถ้าเรามองในแง่พระธรรมเทศนาก็คือพระธรรมเทศนาแต่ถ้าเรามองในแง่ยุทธการนะครับเดินแผนแบบยุทธการทางกองทัพทำก็เป็นแผนยุทธการทางกองทัพทำเพราะถ้าเราลองมองในโฉมของประวัติศาสตร์สมัยพระพุทธเจ้าเรื่องพระราณสีเป็นประการของเชนแล้วเชนนี้เกิดก่อนพระพุทธเจ้าหกปีก็มัง เพื่องเลสมัยนั้นนะคนนิยมนับถือกันมากเพราะตัวศาสดาเป็นกษัตริย์เปนกันเป็นกษักตริย์ในแคว้นวัชีเป็นพวกลิศวีชื่อมหาวีระนี่มีชีวประวัติใกล้เคียงกับพระเจ้ามากแล้วก็ตอนหนึ่งบางตอนก็เหมือนกับพ่อขุนรามกาแผงของเราตอนกาลังเฟื่องนะแล้วมาตั้งหลักมั่นคงอยู่ที่เมืองพาราณสีนี่เอง พระพุทธเจ้าก็ไปที่พาราณสีเหมือนกันคือทรงแสดงหลักยุทธการในสมัยโบราณเอามาเทียบกับการปฏิบัติธรรมะไว้สีข้อนะฮะคือหนึ่งฉลาดในชัยภูมิหมายความว่ามีชัยภูมิที่สูงในชั้นการปฏิบัติก็คือศีลดีมีศีลดีจะเป็นศีลหศีลแปหรือศีลอะไรก็ตามไม่บกพร่องก็ถือว่าชัยภูมิมันดี แล้วก็ยิงได้ไกลคือสามารถที่จะพิจารณาโยงจากปัจจุบันไปหาอาดีตได้ไม่ใช่ไปหาอนาคตได้เช่นว่าเราในปัจจุบันในยังสาวยังหนุ่มอยู่นี่เราโยงเข้าไปอีกไม่กี่ปีเราก็แก่ก็เห็นใจรักได้แล้วก็ยิงได้ไวคือปฏิบัติได้จนแทงตลอดอริยสัจสี จนรู้ความจริงได้แล้วทําลายกลุมกําลังฆ่าศึกได้คือทําลายวิชาได้นะครับทีนี้อย่าลืมไอ้หลักยุติการนี้มันก็ใช้ในการเผยแผ่าศาสนาได้เหมือนกันคือฉลาดในชัยภูมิยิงได้ไกลยิงได้ไวแล้วทำลายขุมกําลังทําลายกลุมกําลังฆ่าศึกเพราะฉะนั้นถ้าจะเผยแผ่าศาสนาในแคว้นอังคากรรมคดให้ได้มันต้องตีป้อมนี้ให้แตกตีป้อมของเชนให้แตกแล้วก็ข้ามาพารนาศิก็ตีได้แตก ประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้บอกว่าท่านยศาเป็นลูกเศรษฐีแต่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้ากรุงพาราณสีคือเรามองกันได้หลายแง่นะแง่ประวัติศาสตร์ก็คือแง่หนึ่งแล้วก็แง่ของการแสดงธรรมะของพุทธเจ้าก็คือแง่หนึ่งเมื่อเสด็จไปที่อาสมของท่านอุรุเวลาการสปะเป็นที่น่าสังเกตว่าอุรุเวลากัรสปะเรียกมหาสมณะ คือน่าจะไม่เคยพบกันเพราะว่าเราดูทางบําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าแล้วบําเพ็ญทุกขารกริยาที่ดงกสิริแล้วก็มาข้าแม่น้ําเนรนชรามาอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมแต่ของท่านอุรุเวลากาสปะมันอยู่เยื้องไปอีกด้านกนะ็คงจะไม่ได้ติดต่อกันท่านจึงไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าเป็นใครแต่เรียกว่ามหาสมณะนะเรีมหาสมณะนี่ยกย่องมาก คือนักบวชด้วยการแล้วก็เรียกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหมาสัมเนธแสดงนึ่งยกย่องพระพุทธเจ้าใช้แผนที่เรียกว่าข้าวปบคออาศัยเป็นป้อมใหญ่นะฮะนี่ถ้าจะยึดอังคะกับมัคได้ก็ต้องต้องต้องต้องยึดตรงนี้เพราะเป็นประการใหญ่ของพรามอยู่ตรงนี้ในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่ของการเผยแผ่ศาสนาเราถือว่าประการใหญ่ของพรามอยู่ตรงนี้ ถ้าว่าเอาอุรุเวลากัจจปะได้มันก็เข้าไปที่กรุงราชคฤห์ได้พระเจ้าเสด็จไปขอพักท่านเหล่านั้นไม่ยอมให้พักบอกว่าไม่มีที่อาวุธเจ้ารับสั่งเอาธรำเนียมธรรมดาเนี่ยรับสั่งว่าโคก็ไปสู่สํานักของโคนกก็ไปสู่สํานักของนกสัตว์ทั้งหลายพวกใดพันใดก็ไปสู่พวกนั้นพันนั้น สมณะก็ต้องไปสู่สำนักสมณะแล้วจะให้เราพักที่ไหนนะคือสมณะในสมัยโบราณเนี่ยมันมีลักษณะผรุงพรังอะ่ะมันเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยมีไม้เท้ามีเหยือกมีคนโทนน้ำมีอะไรตัวอะไรเยอะรุงรังในปัจจุบันเราจะเห็นว่ารุมรังแล้วของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรมีแต่บาทก็เห็นมาเองแล้วไอ้บริขารเครื่องแสดงความเป็นสมณะของท่านไม่เห็นมีพระเจ้าบอกเรนนานามันเป็นการภายในหรือพูดเป็นธรรมะไปก็ได้ คือความเป็นสัมมาณะมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไอ่ไอ้พรมพลังนะฮะไม่ได้อยู่ที่กรดใหญ่ๆไม่ได้อยู่ที่บาตรโตโต้ไม่ได้อยู่ที่เหยียดน้ําคนโทอะไรต่ออะไรความสัมมาณะมันอยู่ที่ใจถึงสงบแล้วก็พูดด้วยภาษาคําว่าสัมมาณะแรียว่าสงบนะฮะตรงนี้น ะ, ะที่พระพุทธเจ้าใช้เขาเรียกว่าปาฏิหารปาฏิหารใช้มากใช้ตรงนี้เท่านั้น พระจ้าทประกอบด้วยปาฏิหาริย์สาประการประการแรกเขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์คือเรื่องฤทธิ์เป็นความสําเร็จในด้านจิตใจอ ย, ย่างอัศจรรย์แต่ฤทธิ์นั้นจะไม่ใช่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆแต่ตรงนี้จําเป็นนะตรงนี้จําเป็นถ้าไม่ใช้ฤทธิ์แล้วก็ข่มพวกนี้ไม่ได้เลยพวกนี้มีอนุภาพมากความเพญเพียนทางจิตมาสูงมากต้องแสดงความสูงกว่าในในในทุกด้านให้เห็น อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารคือรู้ความคิดรู้ความคิดรู้จิตใจยอย่างที่บอกมาว่าตรวจสอบเรื่องสามอย่างเนี่ยพระเจ้ารู้วางไว้ถูกธรรมะถูกหมดเลยอยากย้ายระธรรมเทศนานานแล้วที่เคยบอกว่าพวกกษัตริย์ศากยะออกบวห้าร้อยท่านเนี่ยพระเจ้าสอนกรรมาฐานสอนไม่เหมือนกันทักองค์เดียวแต่ว่าบรรลุอรหัตหมดทุกอง เพราะอะไรเพรว่ไอซูนเปรียกย่อยจริงๆนั้นมั น, ม, นมันไม่เหมือนกันนะฮะคนเราจะมีข้อแตกต่างกันในด้านอินทรีย์ในด้านพื้นเพอัติยาสายในด้านสมาธินี่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าวางเหมือนกันมันก็ไปไม่รอดไอคนบางคนอาจจะได้บางคนจะไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงใช้หลักของอาเทศนาปฏิหารอาเทศนาปฏิหารก็คือพระยาณที่เราเรียกว่าเจโตบริญญา ไปรู้จักใจทายใจบุคคลอื่นได้และกับยานสามอย่างที่ว่าแล้วมันก็คือแนวของอานเทศนาปฏิหารทั้งหมดคือคนนี้คิดยังไงปรารอบจะถามเรื่องอะไรมีความสงสัยยังไงมีความข้องใจเรื่องอะไรก็จะคล้อยตามเขาไปตลอดแสดงไปตามนั้นข้อสุดท้ายก็คืออนุสาสนีปฏิหารที่คําสอนเป็นอัศจรรย์คือหมายความว่าท่าตรงนี้ว่าไม่ดีแล้วคือไม่ดีอยู่นั้นแหละโลกมันจะผ่านไปกี่พันปีก็ตามไม่ดีอยู่นั้น ความโกรธไม่ดีมีรากเป็นพิษมียอดหวานนะใครที่ทําอะไรไปตามความโกรธแล้วรากพิษยอดหวานทุกทีคือคือรู้สึกสะใจเวลาได้ทำนะพอทำไปแล้วก็คือเสียใจบางทีก็รับทุกข์โทษต่างๆอบายามุกแสดงมาเสื่อมมันก็เสื่อมอย่างนั้นนะไม่เคยไม่เสื่อมเลยนี่ก็เรียกว่าคําสอนที่อัดใสจัน์สอนกันมาอย่างนี้ลงตัวมาตลอดเลย ไม่ไม่เคยมีอะไรมาเปลี่ยนคำสอนได้ก็เรียกว่าเป็นกุศลก็คือกุศลอกุศลก็คืออกุศลกลางกลางก็คือกลางกลางไม่ได้เปลี่ยนอะไรเป็นอะไรกุศลไม่เคยเป็นอกุศลแล้วอกุศลเองก็ไม่เคยเป็นกุศลขึ้นมานี้แสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์ในคำสอนีนตัวคำสอนแล้วก็ตลอดถึงวิธีสอนนะฮะตัวแกล้งนะแกล้งไอ้ักที่โรงบูชาไฟ รวมบูชาไฟคือคือเราต้องรู้ธรรมเนียมของของของการบูชาไฟเสียก่อนนะฮะว่าการบูชาไฟนั้นเป็นการย่างกิเลสคือก็ถือว่ากิเลสเนี่ยมันมันมั น, ม น, มนต้องย่างด้วยไฟให้กิเลสมันแห้งนะกิเลสมันแห้งก็พอเกิดกิเลสขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งจะทรมานตัวเองด้วยการขนสาย ขนสายในแม่น้ําในรันชราท่านที่เคยไปอินเดียไม่ต้องห่วงนะทายแม่น้ําในรันชราในขนจากลานคนก็ไม่หมดแล้วก็สมมติว่าตรึกถึงการมราคะเนี่ยจะจดตัวเองเลยฉันตรึกถึงการมราคะลงโทษตัวเองไปขนสายผลสายพอเหนื่อยขึ้นมาก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็มาผิงไฟหรือผิงไฟเสร็จก็ไปกลับอ า, อาบน้ําอย่างเงี้ยแกก็กลับไปกลับมา นันเวลาของชะดินส่วนมากแล้วก็จะอยู่ด้วยการขนสายอาบน้ำผิงไฟอาบน้ำก็คือล้างบาปนะฮะผิงไฟก็คือย่างกิเลสขนสายก็คือทรมานตัวเองี่อยากคิดเป็นวิธีการที่ที่ลำบากที่สุดเลยเพราะว่าใจเราเราลองสังเกตนะฮะเช่นว่าไปอยู่ในที่เปรียวจะห้ามความคิดไม่ให้กลัวผีและยิ่งคิดใหญ่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่เอาจากตรงนั้นมันเอายาก มันต้องปรับมาจากศีลคื อ, อตัดรอนกำลังของกิเลสให้มันกล้าเสก่อนถึงจะคุมมันได้คือทรมานทรมานกิเลสให้มันอ่อนตัวเสก่อนถ้านิ่งๆมาคุมที่จิตโด ย, ยกายวาจาเรายังถูกกิเลสคุมอยู่มันคุมไม่ได้หรอกกิเลสมันมันใหญ่โตมาโหรานน่เกินดังนั้นวิธีของพวกชชดินจึงเป็นการสร้างทุกทรมานให้แก่ตัวเอง ไอ้กองซายมันก็กองเป็นภูเขาลกาก็าอยู่กันตั้งห้าร้อยวานันก็ขนแต่สายกันตนนั้นเองไอ้พวกงูพวกไ อ, อะไรนาคที่เขาเรียกว่านาคเนี่ยฮะก็เข้ามาอยู่อาศัยในที่นั้นนานั้นจะเป็นยังไงนั้นเราก็ไม่รู้น ะ, ะเพราะว่าในบาลีเองบางทีว่ามีสัตว์ที่อยู่ในพวกหนึ่งที่เรียกว่าบาดาลที่บอกว่า อายุใต้พิภพนั้นก็คือคือบาดาล น, นะฮะไม่ใช่นรกนรกไม่เคยพูดราอยู่ใต้ดินที่อยู่ใต้ดินนั้นคือนาคนะแล้วก็จะจะเป็นยังไงก็ตามมัคืองูไอ้นาคตัวนี้ฮะมาทำร้ายพระพุทธเจ้ามีการพ้นพิษมีการไ ร, ตรยต่อไรกันจนเรียกว่าพจนศึกใหญ่พูะเจ้าก็ใช้สมาบัติ ตรมานหนักนั้นจนรุ่งขนเช้าก็จับใส่บาดได้แล้วนุ ก, ก็กัวก็ไม่ค่อยโตนะฮะไปจับใส่บาดได้แต่ในที่บางแห่งแสดงว่าโตมากตัวก็นี่ก็เป็นอิทธิปาฏิหาริ์พชดินเห็นข้าวก็นึกว่าหมาจะมาหน้าตายแน่รุ่งขนเช้าก็แอบจองย่องมาดูก็เห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่สบายสบายแล้วก็หน้าก็นอนกระโดดอยู่ในบาดก็นับถือนยแต่ว่า ไอ้คนมันมาณนะจัดมหาสมณะนี้มีอนุภาพจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็สรุปสรุปในความคิดว่าแต่ไม่เป็นพระอาหารหันเหมือนเรายังเทศไม่ได้เทศไม่ได้กระด้างไล้เกิดที่จันชายกับว่านาน า, นาปฏิหาริยะเนี่ยคือปฏิหารสารพัดสารพัดปฏิหารแต่ว่าอย่าลืมนะฮะมันมันเป็นวิธีนับท่านสมัยก่อนท่านนับ เช่นว่าคราวฤษีแกเกิดอาบน้ำในแม่น้าในรันชราพอหนาวขึ้นมาจะผ่าฟืนเพื่อผิงไฟเนี่ยปรากรวาผ่าไม่แตกนี่ก็ทรงช้าอิทธิฤทธิขุมเอาไว้ไม่ให้แตกผ่ายังไงก็เหนื่อยเงือโชคเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็บรรดารให้ผ่าได้พอผ่าได้พอติดไฟก็ไม่ให้ติดอีกไม่ให้ติดอีกเพื่อทรมานครับก็เสร็จแล้วพอพอเห็นว่า เขารู้เขาคิดได้วันนี้เป็นอนุภาพของมหาสมณะแ ต, แต่ว่าทุกคราวนะแกสรุปว่าไม่เป็นพระอรหานเหมือนเราทุกทีนะแต่ไม่เป็นพระอรหานเหมือนเราทุกทีพระเจ้าก็บั <totally. S 1> บนดาลให้ฟไฟมันจิตแล้วก็เวลาคราวจะดับอ้าวบันดาลไม่ให้ดับอีบบอกอะพอเขานึกออกวันนี้อนุภาพมหาสมณะอีกนะมหาสมาะมีอนุภาพมากจริงพอมาแกสรุปว่าแต่ไม่เป็นพระอรหนเหมือนเราพรุทธเจ้าก็บับนดาลให้ จนบรรดาเทวดาเนี่ยตกกลางคืนเนี่ยเทวดาจะมาเฝ้าเพราะตอนนั้นยังจัตรู้ใหม่ๆนะเทวดาก็มาเฝ้าเพราะตกเที่ยงคืนเทวาต้องมาเฝ้ารูปตเจ้านี่นี่นเออีเป็นหลักฐานเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องประจำเพรา ะ, ะ น, นเวลาเทวดามาเฝ้าพวกชิ ด, ดินเองเขาก็บังเพียญก็เห็นเป็นแสงนะเห็นเป็นแสงมาเฝ้ารุ่งเช้าก็ไปกราบทูลถาม พระเจ้าก็รับสั่งว่าเทวดาองค์นั้นมาเทวดานี้มาเทวดานั้นมาก็แล้วแต่นะครก็แล้วแต่ใครมารู้เวลากาตลาซึ่งเป็นหัวหน้าโอ้โหนี่มหาสมณะเราอยู่ที่นี้ตั้งนานไม่เห็นเทวดาองค์ไหนมาหาเลยมหาสมณะมาอยู่ไม่กี่วันเทวดามาเฝ้าแล้วมีอนุภาพจริงแต่เสียนิดเดียวไม่เป็นพระอาหารเหมือนเรานั้นก็จบอีกครก็ยังยังทำอะไรไม่ได้อยู่ประมาณทักงสเดือนนะที่เนี่ย พระเจ่าวันนิ่งๆไปเทศนะไม่เคยเทศเลยพระเจ้าไม่ได้เทศเลยก็อยู่อย่างนั้นใช้วิธีอย่างเงี้ยใช้อิทธิฤทธิ์เนี่ยทรมานอิทธิปฏิหารนีทรมานให้ให้กำราบไอมานะกระด้างของแก่ให้ลงแต่ยังไม่ลงสักทีนี่นนพอในตอนสุดท้ายท่านมันเป็นคราวที่ชาวอังคะเขาจะมาปชุม คือไปคล้ายๆกันนักขัตเริกประจาปีนะะจะประชุมมาไหว้ฤาษีมาไหว้เจดินแล้วเนี้ยก็รู้เวลาการตปะท่านคิดอ่ะพรุ่งนี้คนจะมาเฝ้ากันมากันมากแล้วถ้าก็มาเห็นอนุภาสหม า, หาสมณะคงนับถือหม า, หาสมณะเราแยแะแต่เราจะไล่มันก็ไล่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะหาเหตุอะไรไปไล่เพราะทั้งกรดีมาตลอดเลยไม่มีปัญหาอะไรเลย จะทำยังไงนะให้ท่านไปจได้ทั้งหมดนี้คิดเราจะเห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนปฏิหารแล้วเปลี่ยนอาเทศนาปฏิหาร mm hmm. พอคิดก็รุ่งกระชาก็หายไปเลย mm hmm. พอคนกลับหมดตกตอนหัวค่ำก็สเสด็จกลับบ mm ุ hmm. รุเวลากัตตาะก็เข้าไปเฝ้ากาทุนถามว่าหายไปไหนตามแกล้งขายสือนะสางให้คนเจดตามเพื่อ เชิญมาทวเวอเวรกยาหารก็ไม่พบอะไรแต่แกววแก็ว่างแกเรื่อยไปพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไปอย่างที่ท่านอยากให้ไปไอันนี้แล้วจบทีนี้เพราะนอนคิดคนเดียวนะฮะนอนคิดคนเดียวไม่มีใครเห็นเลยแต่พระพุทธเจ้ายังยังรู้ว่าแกคิดอะไรคนเราถ้ารู้ความคิดแล้วก็กลัวมากก้มลงกราบเลย ว่ามีอนุภาพจริงขนาดเรื่องเราคิดของเราคนเดียวไม่พูดกับใครท่านยังรู้เลยแต่ว่าความคิดตอนนี้ดีนะฮะไม่จบลงด้วยคําว่าเป็นพระหันเหมือนเราแต่จะขอบวชในตำแหนังของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศแก่ลูกศิษย์บอกว่าเราจะบวชในตำแหน่งหมาตำแหน่ น, นะพวกเจอจะจะไปไหนก็ไปล่ะตั้งใจไอ้พวกลูกศิษย์นั้นก็บอกว่าพวกผมนั้นคิดมานานแล้วแต่เกรงใจอาจารย์นะ คือพวกลูกศิษนยะนับถือลูกพระเจ้ามานานแล้วแต่มานากระด้างมันยังเหลืออยู่ที่อาจารย์แต่นั้นเองอาจารย์ยังยังยังจบลงด้วยแต่ไม่เป็นพระอรหนเหมือนเราทุกทีพวกนี้ก็พลอยเอ๋ยบริขารลงในแม่น้ำในรันชรานะฮะท่านที่เคยไปอินเดียจะเห็นว่าแม่น้ำในรันชรารมันแปลกฮะตรงพระพุทธเจ้าศัตรูก็เรียกในรันชารานะฮะพอหักค้งไปอีกทีก็เรียกแม่น้ำขยาแม่น้ําเดียวกันแม่น้ําเดียวกัน เกิดกลายเป็นน้ำคงคานะฮะเรียกชื่อต่างหลายชื่อคงคาในตอนหนึ่งก็เรียกชื่อหนึ่งตอนหนึ่งก็เรียกชื่อมาตอนที่ออกออกทะเลก็เรียกแม่น้ําอุกลีไม่ได้เรียกคงคาแต่ท่านที่คือคงคานึ่ง น, น้องชายคือนาทีกาสปะกับขยากาสปะเห็นบริขารอ้ น, นี้ก็อย่างที่เรารู้กันในพุทธประวัตินะฮะว่าในที่สุดก็ทั้งหมดก็ข้ามาบวชแต่ว่าเวลาบวชพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศที่อุรุเวลา ไปเทศที่ขยาศีสะนะไปเทศที่ขยาศีษะที่อยู่ที่เมืองขยาในปัจจุบันที่เป็นภูเขาซึ่งท่าน ท, ที่เคยไปก็คงจะเคยเห็นไประเทศที่นั้นพระธรรมเทศนาในข้อ น, นี้เห็นได้ชัดว่าคล้อยตามอัธยาศัยเป็นลักษณะปฏิรูปนะเป็นลักษณะปฏิรูปอย่างที่มาเคยบอกว่าคําสอนพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สี่แนวแนวหนึ่งคือปฏิวัติ แนวหนึ่งคือการปฏิรูปแนวหนึ่งคือหลักการใหม่แนวหนึ่งก็คือรับรองของเขาพระธรนมจากกรรวัตตนสูตรเป็นการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติความคิดเห็นด้วยนะแต่ว่าก็มีการปฏิรูปด้วยปฏิวัติโดยเฉพาะก็คือปฏิวัติความเชื่อถือในสองด้านที่สุดสองอย่างอ น, นัตตลกสูตรนั่นคือหลักการใหม่เลยอนัตตานั่นไม่มีมนุษย์ที่ไหนเขรู้กัน เป็นหลักการที่พระเจ้าตรัสรูม้มาโดยเฉพาะพอมาถึงอาทิตตะปรายายสูตรนั้นคือปฏิรูปเอาของวัตถุดิบต่างๆที่ท่านเหล่านั้นเคยชินทั้งหมดมาเป็นพระธรรมเทศนาตอนนั้นท่านขอบวชหมดแล้วนะแต่ให้ลองสังเกตว่าตลอดระยะเวลาพระเจ้าไม่เคยเทศอะไรเลยไม่เคยสอนธรรมะอะไรเลยเป็นการดัดสันดานะฮะฝึกนิสยัยฝึกปลือไปเรื่อยๆให้เคารพนับถือในบุคลิกภาพเฉยๆ ไม่เคยเทศสอน ấy. ก็ไปอยู่ประมาณเนี่ยเดิน3เดือน4เดือน5้นี่ไปอยู่ที่นั่นก็ขึ้นถึงว่าดูกนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแล้วก็รับสั่งต่อไปว่าดูกนภิกษุทั้งหลายอะไรชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแล้วก็ท่งจาแนากฮะจักษุคือในตาเป็นของร้อนรูปคือ รูปเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยจักสุเป็นของร้อนสัมผัสเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนก็เรื่อยไปก็อย่างอย่างที่เรียงเนี่ยฮะเป็นเวทนานะเป็นสุข ก, ก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนไปหมดนะแล้วเสร็จแล้วตั้งปัญหาประเด็นขึ้นมาว่าเกณฑ์อดาีตางร้อนเพราะอะไรอดีตังระกคินาโดยสักขินามา ร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะอดิตังชาาจลาอดิตังชาติยาจราวรเนนะโซเกหิบริเดเวห์นะอย่างที่เราสวดธรรมวช้านะฮะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความร่ำไรรำพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความกับแค้นใจนี้แหละเราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนนะขึ้นมาชุดแรกก็เป็นอย่างนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระธรรมเทศนาข้อ น, นี้นะฮะมันอ่อนกว่าอนัตฟังง่ายกว่าอนัตเยะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานคนฟังไม่เหมือนกันท่านปูราณชดินสติปัญญาไม่สูงระดับท่านพระปัญญวัคีพระปัญญวัคคีตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันหมดนะแต่ว่าท่านเอาสิ่งทั้งหมดเลยที่จะมาเล่าภูมิหลังของท่านชดินทั้งหลายให้ฟังก็แ ไอ้ปัญหาที่ท่านเกิดเป็นกามราคะต้องขนทรายต้องย่างกิเลสขนทรายย่างกิเลสถึงไฟกันอยู่เนี่ยมันก็เรื่องอะไรคือท่านไปเห็นรูปข้าวท่านฟังเสียงข้าวท่านสูดดมกลิ่นข้าวท่านเกิดกำนัดท่านเกิดยินดีพอยินดีมันก็ต้องทรมานตัวเองในการขนทรายขนทรายกิเลสไม่สงบก็มาย่างไฟย่างไฟเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำํำชำระความมืดสุดท่านก็วิ่งอย่างนั้นฮะคือเรื่องของประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยท่านจะเห็นว่าภุราณาชจินมีปัญหาเรื่องประสาทสัมผัสทั้งหมด พระเจ้าก็ขึ้นถึงสับบางอดิตตางดูกรวิสูตทั้งหลายสิ่งน้ำปวงเป็นของร้อนท่านเหล่านั้นสบายมากเรื่องร้อนย่างกิเลสมานานรู้ว่ามันสะอาดขนาดไหนเรื่องความร้อนของของไฟนะพระเจ้าเอาไฟเข้ามาสอนก่อนแต่ว่าค่อยคืบคลานค่อยปลูกวังความเข้าใจของท่านเหล่านั้นเข้าไปตามลำดับได้แล้วก็ถามว่า กินจาพิกเวส บ, บังอันติตางลูกกรวิศูตทั้งหลายก็อะไรชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนชุดนี้นะครับสั่งว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนนะเป็นธรรมเทศนาที่ง่ายๆนะฮะตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้รูปที่เราเรียกว่าวิญญาณนะก็เป็นของร้อนแล้วก็สัมผัสคือการกระทบกัน ร, ระหว่างตาระหว่างรูปแต่ที่วิญญาณสามอย่างคือสัมผัสได้แก่การกระทบมันเป็นของร้อน พอเราเห็นรูปด้วยตาแล้วมันก็เกิดเป็นการสัมผัสแล้วนะฮะมันก็เกิดเป็นเวทนาถ้าเราชอบใจเราก็เป็นสุขยินดีมีความยินดียินดีมันก็อยากอยากได้เรื่อยอยากได้อยา่างนั้นอย่างนั้ น, ง, นงั้นไปถ้าไม่ยินดีก็เกิดโทสะเกิดไม่พอใจต้องการจะให้สิ่งนั้นทําลายไปพินาศไปมันก็ใจมันก็แว่งฮะอย่างที่โบราณท่านเรียกว่ายินดียินร้ายยินร้ายทุกวันรู้สึกฟังยากฮะเด็กๆไม่ค่อยจะเข้าใจคือหมายความว่าชอบก็บไม่ชอบ จะเห็นว่าอารมณ์ส่วนมากแล้วที่เราสนใจนะมันจะออกมาในรูปชอบกับไม่ชอบถ้าชอบราคาก็เกิดถ้าไม่ชอบโทสะก็เกิดถ้าอึมครึมไม่แน่ใจอะไรสงสัยอยู่ก็โมหะมันก็เกิดก็ะตะลงก็เกิดกิเลสพอเกิดแล้วเวทนามันมันความเสวยอารมณ์จากการกําหนดเนี่ยมันก็ออกมาถ้าที่เราชอบเราก็เป็นสุขถ้าเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์ ถ้าเราอึมครึมไม่แน่ใจไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ปักใจอะไรลงไปก็เฉยๆไม่จะทุกข์จะสุขเวทนาเองก็ออกมาในสมรูปคือที่ที่ทรงสแสดงว่าเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนท่านโุราณจะ ด, ดินฟังชัดแจ๋วเลยฟังชัดแจ๋วเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยท่านมองเห็นเป็นทางไปเพราะท่านในทรมานโทรกรรมกันมาแล้วกี่ปีแล้วกับเรื่องเนี้พอในที่สุด ตั้งปัญหากระตุกให้ท่านคิดเกณะอดีตางร้อนเพราะอะไรอดีตางร า, าคะกินาโดสะกินาโมหกินาร้อนรกไฟคือราคะรกไฟคือโทสะรกไฟคือโมหะนี่ท่านก็ย้อนเลยนะฮะท่านจะเห็นว่าภาพที่ท่านเคยขนทรายเคยย่างกิเลสเนี่ยมันกลับมาทําไมที่ฉันต้องขนทรายเพราะตรึกถึงกามวิตกถึงพยาบาทวิตกเพราะหิงวิหิงสาวิตก ทำไมถึงตึกก็เพราะใจมันมีราคะมันมีโทสะมันมีโมหะเพราะในตัวร้อนจริงๆมันร้อนอยู่ตรงนี้เองท่านมองย้อนได้เลยท่านมองจากกองไฟจากไอ้ไอ้ไอ้กองซราจากการอาบน้ำเนี่ยว่าตัวจริงๆมันอยู่ตรงนี้แต่เราจะเห็นว่าพระเจ้าปรับมันจากข้างนอกกมาดึงมาจากข้างนอกให้เห็นเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากมาตัวกายจริงๆมันอยู่ที่ใจใจซึ่งซึ่งอะไรซึ่งสู่ครอบงำด้วยกิเลสในกิเลสในที่นี้ทรงเรียกราคะโทสะโมหะ การเรียกราคาโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะนั้นได้โปรดเข้าใจนะฮะเป็นหลักที่ควรสังเกตไว้อย่างหนึ่งคือชาวบ้านเนี่ยรู้เจ้าจะใช้กำว่าโลภะโทสะโมหะประเทศกับชาวบ้านส่วนมากจะออกมาเป็นโลภะโทสะโมหะเพราะอะไรเพราะชาวบ้านอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นู่นแต่ว่านักบวชนั้นไอโลภะอย่างอื่นนั้นท่านก็ท่านก็พอได้นะฮะคือหมายความมาอยากโดยเฉพาะพบ ปัจใจสีอะไรอะไรก็บอหาได้แต่ว่าราคาถูกสกัดไปเพราะนั่นกิเล ส, สายนี้จึงจึงเกิดขึ้นแรงแล้วที่ท่านต้องย่างกิเลสกันนี้พระพุทธเจ้าเลยเปลี่ยนมาเป็นราคาเป็นไฟนะฮะลักษณะที่เผาให้ร้อนตัวเหตุจริงๆมันอยู่ตรงนี้สงชี้ไปที่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟทั้งสามกองนี้ท่านจะเห็นว่าไฟราคะนั้นเป็นที่ล้ๆไฟเ็น เป็นไฟที่มีโทษไม่มากนะฮะมันเรมีลักษณะกระจุ่มกระจิบเป็นอารมณ์โลกนะลักษณะกระจุ่มกระจิบแต่ว่ า, ายึดหน่วงเอาไว้เป็นบ่วงที่ผูกล้อมๆแต่ตัดไม่ขาดจึงเป็นเรื่องแปลกมีโทษน้อยแต่ว่าจะหายจริงๆหายได้ช้ามากหายได้ช้ากิเลสานี้คือโลภะกระโทไม่ใช่โลภะหรือราคะเนี่ยมันจะหายได้ช้า แต่เป็นไฟที่ที่เผาหลนนะฮะทำให้เกิดความเร่าร้อนความกระสานความอยากในอารมณ์เรานทวนโทษโทษของมันจริงๆไม่แรงนะฮะให้ลองสังเกตว่าโทษของราคะนั้นอย่างเรื่องรามเกียรตินะั้นมันหองเป็นโทสะมันไม่จะราคาเลยแต่จนข่าล้างผลาญกันมันเกิดจากโทสะไม่ใช่ราคะเพราะงั้นราคานี่ไม่ข่านะข่าเพราะรักเนี่เป็นไปไม่ได้นะ ข้าเพราะรักนี่จึงเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นไอ้ที่ฆ่านั้นเป็นเรื่องโทสะกับโมหะเท่านั้นส่วนท ว, วนสายเขาเองนั้นไม่แรงยั ง, อ ย, งอย่างเช่นไปปล้นไปขโมยเขาเนี่ฮะเราจะเห็นว่ามันก็เกิดจากโลภะ ค, คือกิเลสสายนี้แต่ถึงกัฆ่าเจ้าทรัพย์นั้นไม่ใช่ฆ่าพราะโลภะนะฆ่าพราะโทสะฆ่าพราะโทสะกิเลสสายนี้จึงถือว่าเป็นกิเลส ท, ที่มีโทษน้อยแต่คุณแต่แต แต่จะหายจริงๆจากใจแล้วหายได้ช้าที่สุดบรรดากเกเรททั้งหลายหายได้ช้าที่สุดเลราดูฮะว่าเราพอเกิดพอใจอะไรคือสักอย่างนี้ฝ่ายฝันกันเป็นไม่รู้สักเท่าไหร่สแสวงหาครอบครองชื่นชมอยู่น ะ, ะแม้แต่แจการเครื่องลายครามใบเดียวก็ลูบๆคลำๆจะได้ตั้งเก้าปียี่สิบปีมันน่าดูเลยะคื อ, ค อ, คอเราจะเห็นว่าราคานี่มันออกมาได้ ยังว่าพระบางทีไม่อะไรก็เล่นนาฬิกาเต็มกุฏิเลยเล่นนาฬิกาเต็มกุฏิเล่นกล้วยไม้เล่นเครื่องลายคลามเล่นตะลุมมุกอะไรต่อะไรนี่ราคากันน่นราคากันนั้นความกําหนัดในรูปอารมณ์นั้นติดในรูปอารมณ์แม้แต่ภาพศิลอะไรต่อไรก็คือกิเลสสายราคาทั้งนั้นจะเห็นว่ามันมันกระจุนกระจิมันรื่นเริงมันบันเทิงฮนะเป็นโลกียารมณ์เป็นอารมณ์ของลมแต่ไม่เป็นไฟนะมันเป็นไฟที่เผาลนจิตใจให้ร้อน ถ้าอยู่ในจุดที่มากเกินไปอย่างที่เคยบอกว่าฝ่ายนั้นมันก็มีคุณนานมีโทษหมานชั้นที่เราคุมมันมันก็มีคุณชั้นที่มันคุมเรามันก็มีโทษในการปฏิบัติระดับธรรมดาจึงอยู่ที่เราคุมมันได้แต่ว่าอย่าลืมวันนี้ท่านพระพุทธเจ้าแสดงแก่นักบวชนะครแสดงแก่นักบวชก็มุ่งชี้ให้เห็นแล้วก็ท่านก็เห็นชัดโทสักกีดาวไฟคือโทสักคือกิเลสสายโทสักมีโทษมาก แต่ว่าครายเร็วเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติอย่างหนึ่งกิเลสสายโทสะนั้นเกิดอยู่ในระดับเดียวถึงชั่วโมงนี้ฮะหัวใจแตกสลายกระอักเป็นโลหิตเลยใครลองกโกรธให้เต็มที่แล้วรักษาระดับความโกรธไว้ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ก็เรียบร้อยมีคนเคยกระอักเป็นเลือดแคนเหมือนกับเมือ ง, งกัจจิวยเหมือนกัจจิวนี่ยคือเราจะเห็นว่ากิเลสสายนี้แรงมากเลย ถ้าแกขึ้นกองแกเต็มที่แล้วล้างผลาญอะไรได้แต่มันเป็น ป, ปฏิกิริยาตามธรรมชาติแกจะคลายได้เร็วคือจะลดระดับความรุนแรงลงมาเร็วเพราะงั้นความโกรธที่โบราณท่านสอนวิธีฝึกความโกรธรไว้ให้นับหนึ่งถึงสิไปอะไรแต่อะไรเนี่มันคือลดปริมาณความโกรธพอถ้าเรานั่งนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงร้อยปเดียวหายแล้วความโกรธมันลดออกมาเจอแล้วทําไม่ได้หรอครับเช่นคิดจะชักปืนมายิงแล้วก็ยืนนับหนึ่งถึงสิเนี่ย ไม่ยิงหรอกความโกรธมันปริมาณมันลดไปแล้วไม่ถึงจุดที่จะไปยิงคนได้โบราณนี่ท่านฉลาดเพราะเราเรู้ไอ้ไอไอกิริยาท่าทางเขามาเนะ่ะอาการกิเลสนี้เขาแรงแต่ถ้าเราลดเราเราคุมแกให้ได้สักช่วงหนึ่งนะฮะแกจะลดเองจะทําไม่ได้นะบางทีพุ่งขึ้นไปไกลๆหน่อยนะฮะถูกความเหนื่อยด้วยแล้วกเ็เวลามันมันทิ้งช่วงด้วยฮนะพุ่งไปจะตีแล้วไปถึงไม่ตี กิเลสมันลดไปเลยแล้วมันไม่ถึงอยู่ในจุดที่จะไปตีคนความโกรธมันลดไปแล้วเกิดโทษมากนะะคลายได้ช้าเราจะเห็นว่าอนันตเรียกรรมเห็นไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระสารทำร้ายรูพุทธจาเนี่ยอนันตเรียกกรรมทั้งหลายมันเกิดจากโทสะเกิดจากโทสะหนั่นกิเลสประเภทหนึ่งคือโมหะคิไฟคือโมหะความหลงนะ ความหลงในกิเลสสายนี้ต้นตอของเขานะฮะเขาก็อยู่ตรงนี้ก็คือตัววิชานั่นเด็กแสดงออกมาทางใจเราจริงๆก็คือออกมาทางฟุ้งนะฮะทางฟุ้งทางซึ่งซึมทางสงสัยทางไม่แน่ใจกิเลสประเภทนี้มีโทษมากมีโทษมากจช่นมิจฉาทิฏฐิทั้ททงหลายซึ่งถือวมีโทษมากที่สุดมันเกิดมาจากโมหะ มิชฉาทิฏฐิประเภทที่เรียกว่าวุฎจาชายก็วัดตักคาโนฮคือเป็นหลักต่อของวัดตักไม่รู้ผุดรู้เกิดกันเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ไม่มีการพัฒนาชีวิตนั้นคือพวกมิจชาทิฐิมันเกิดมาจากโมหะคือความเขารู้ไม่จริงโทษจึงมากที่สุดแล้วก็คลายยากที่สุดหายได้ยากที่สุด ท่านต่างหลายลองสังเกตนะฮะกิเลสระดับล ะ, นะะเวลาพระพุทธเจ้าเรียงเรียงโลภะโทสะโมหะนะโลภะโทสะโมหะเวลาเรียงธรรมะเรียงศีลสมาธิปัญญาท่านเราสังเกตดูนะฮะศีลนั้นเป็นผู้ปรับของโลภะสมาธิเป็นผู้ปรับของโทสะปัญญาเป็นผู้ปรับของโมหะเรียงตรงกันนะฮะเรียงจับประกอบคู่กันเลยในด้านที่จะสละได้พระอริยบุคคลสละได้ มันจะสละได้ที่โมหะอย่างหยาบมาก่อนโมหะอย่างหยาบนั้นไม่ค่อยแปลกหรอกครับสละได้ชีวิตของคนเราทั่วไปมันโมหะลึกะโมหะหยาบผมก็พอสละกันได้สละโมหะอย่างหยาบก่อนแล้วก็ละกามราคะกิเลสสายโลภะดับไปก่อนนะฮะปานาคามีละโลภะได้ละโทสะได้แต่ว่าละโมหะยังไม่ได้โมหะแกเป็นต้นตอของแกนะ ต้นตอของแกพระรหันธท่านนั้นจึงจะถอนรากโมหะได้เพราะนั้นอวิชชาในเรื่องสังโยชนิสิท่านที่เคยนับสังโยชน์ได้นึกออกนะว่าอวิชชามันอยู่ล่างสุดเลยอวิชชาอยู่ในข้อที่10เพราะวิชาเป็นรากของกิเลสแล้วก็โดยเฉพาะคือเป็นตัวของโมหนันนั่นเองตัวนี้จึงประเภทเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษมากที่สุดแล้วก็คลายช้าที่สุดคลายหมดวันไหนก็เป็นราหันวันนั้นเพราะแกเป็นรากของกิเลส เป็นต้นขาวของกินนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของว่าเป็นไฟเป็นตัวเหตุจริงๆฮะแต่อย่าลืมว่าท่านโบราณฉดินท่านไม่เก่งขนาดพระปัญจวัคคีไม่เก่งขนาดพระปัญจวัคคีพระพุทธเจ้าเลยเ พ, เพิ่มเพลิงทุกข์ขึ้นมาอีกแปดกองไอ้เพลิงทุกข์นั้นให้ลองสังเกตว่าที่จริงมันเป็นเหตุนะฮะมันเป็นเหตุเท่านั้นถ้าในชั้นละเอียด แต่ว่าถ้าชั้นธรรมดาเราไม่ไปพูดว่ามันเป็นเหตุอย่างนั้นคนฟังไม่เข้าใจต้องพูดว่าเป็นตัวมันเลยเป็นตัวมันเลยเป็นตัวไฟทีเดียวฮะไฟคือความเกิดร้อนเพราะความเกิดถ้าไม่เกิดมันไม่ร้อนร้อนเพราะความแก่ะความแก่เป็นเหตุให้เกิดร้อนเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับความร้อนคนแก่มันก็ร้อนเพราะความแก่แล้วก็เพราะความตายเราจะเห็นว่าความร้อนเราน้ำก็ร้อน ร้อนเพราะความโศกเวลาโศกมันก็ร้อนสารพัดนะฮะเพราะความโศกเพราะความร่ํารเพราะความรําพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความกลับแค้นใจก็สรุปว่าเพลิงกิเลสกับเพลิงทุกแสดงเป็นสองเพลิงด้วยกันเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านอบราณในชนดินนี่มองเห็นได้ชัดแต่ที่จริงพวกนี้ท่านที่เคยฟังธรรมจักนึกออกนะธรรมจัก ไอ้โศกกระปริเทวไอ้ชาติชรามรณะนี่ยโศกกระปริเทวทุกขโทรมรณะผูปายญาติแปดอย่างนี้ฮะเกิดแก่ตายโศกร่ําไรรําพันความทุกข์ความเจ็บใจความเข้าแค้นใจนั้นเป็นทุกขสัตว์นะฮะเป็นทุกขสัตว์คือเป็นตัวผลมาจากตัณหาแต่พอในที่นี้แสดงเป็นตัวเหตุเลยเพราะว่าท่านท่านปุราณฉดินนั้นถ้าจะไปเล่นถึงอริยสัพติเดียเนี่ยจะไม่ไหว ก็เอาที่พื้นๆมาก่อนเลยเอาให้เห็นเพราะว่าเอาเอาเอาวัตถุดิบต่างๆในใกล้ตัวท่านทั้งหมดมาเทศนะทั้งหมดนั้นเอาเอาของท่านมาเทศทั้งหมดเลยท่า น, นท่านบุราชาดินจึงฟังแล้วนี่เข้าใจได้ชัดเจนเพราะปัญหาทั้งหมดนั้นท่านไม่เคยวิเคราะห์ตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ท่านไม่ต้องไปขนทรายอย่างนั้นทุกวัน ไม่ต้องไปย่างยิเรดทุก ว, วันถ้าไปคุ้มจิตใจอย่ยาให้ราคาโทวสะมุหะมันเกิด ก, กรุ่งกรุ่งรุมใจนะฮะเราสำรวมระวังอินทรีย์ซะบ้างอย่ายตาเห็นรูปหูฟังเสียงมากเกินเกินไปหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ใส่ใจจนเกินไปไอ้ปัญหาต่างๆคงจะไม่เกิด น, นี่ก็คือพระธรรมเทศนาที่เราเห็นได้ชติว่าคือการปฏิรูปปรับเอาไฟก็มีอยู่แล้วตาหูอะไรตะอะไรมีอยู่แล้วแต่มาปรับให้เห็นว่ามันเป็นของร้อนพระท่านเหล่านั้นชินๆกับร้อนๆอยู่ จริงๆกับไฟทั้งย่างกิเลสทุกวันเลยก็ออกมาเป็นอาทิตตะปริยายสูตรนี้ก็คืออาทิตตะนะอาทิตตะที่แปลของรอนนะคือประสูตรที่บรรยายเรื่องความรอนโดยจําแนกเป็นเพลิงกิเลสสนะตัวเหตุนะเกิดมาจากเพลิงกิเลสสคือราคะโทสามองนะแล้วก็เพลิงทุกแปะจะเป็นผลพวงเข้ามาเจใจโดยเริ่มมาที่ตาเห็นรูป นะเกิดเป็นจักรุวิญญาณคือความรู้ทางตาเป็นจกักษุสัมผัสคือการกระทบของตาของรูปของวิญญาณแล้วเกิดเป็นเวทนาแต่ละอย่างแต่ละจุดทรงชี้ว่าเป็นของร้อนแล้วก็มาสรุปว่าร้อนเพราะอะไรแล้วก็ชี้ประเด็นตึกสาเหตุว่ามันร้อนเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้นี่ก็ชุดหนึ่งนะฮะแต่อย่าลืมว่าทรงจาแนกหมดทั้งหกข้อนะฮะเกิด สัตวอายตนะภายในภายนอกนะฮะจะเป็นชุดชุดชุดแต่ว่ารูปประโยคจะท้เหมือนกันหมดวันนี้ก็ไดหนึ่งชั่วโมงคนด็กก็ดขอยุติไว้แล้วท่านผู้ใดที่ปรารถนาจะบำเพ็ญจิตภาวนาต่อนะฮะก็ขอเชิญบำเพ็ญต่อไปได้แล้วข้างล่างก็จะมีการเลี้ยงอาหารนะฮะเลี้ยงอาหารเจปีถึงเจสองสามครั้ง